เรื่องที่ถูกปิดบังเรื่องลาวลีลับดราม่าหลอนๆที่กว่าจะรู้ก็สายไปเสียแล้วสมผัดสยองสวัสดีทุกคนนะคะเราชื่อแก้ว เราจะนำเอาเรื่องผีเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรามาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้ฟังต้องขอบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนกลัวผีมากๆคิดไว้เลยว่าถ้าได้เจอคงจะเสียสติเป็นบ้าไปเลยแน่ๆแต่เราเองก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับตัวเราเรื่องของเราอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากเหมือนกับของคนอื่นๆแต่มันมีความเศร้ามากกว่า มาเริ่มเรื่องของเรากันเลยดีกว่าแก้วเรียนจบแล้วตอนนี้มีธุรกิจส่วนตัวของทางบ้านเธอเป็นคนร้อยเอ็ดและเกิดที่นันแต่มาโตที่กรุงเทพย้ายมาอยู่แบบทาวรเลยแก้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเกิดด้วยความผูกพันกับบ้านเกิดจึงมีน้อยมากเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แม่แก้วกลับต่างจังหวัดคือร้อยเอ็ดนั่นแหละแม่กลับไปพักผ่อนแต่แก้วไม่ได้กลับด้วยรลบปกติแก้วก็ไม่ได้กลับอยู่แล้วพอแม่กลับไปได้สามวันเขาก็โทรมาหาแก้วอยากให้แก้วกลับบ้านหน่อยพลอยสมมันอยากเจอสมนี่ก็คือน้องสาวของแก้วเองเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน อายุห่างกันสองปีพวกเราสนิทกันมากตั้งแต่เกิดแล้วด้วยความที่แก้วย้ายมาอยู่กรุงเทพก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแก้วก็บอกว่าที่เกียจกลับและงานก็ยังยุ่งยุ่งอยู่แม่ก็พูดเสียงเรียบๆมาจากปลายสายว่ากลับมาหามันหน่อยเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่แล้วแก้วก็ถามว่ามันจะไปไหนละ่ะแม่ก็บอกว่า มันจะไปอยู่ที่อื่นกับผัวมันอีกสามสี่วันมันก็จะไปแล้วถ้าไม่มาก็ไม่ได้เจอแล้วนะแล้วก็กลับมาช่วยงานศพด้วยที่บ้านมีคนตายหลังจากที่แก้วได้ยินแบบนั้นแก้วก็ตัดสินใจกลับบ้านเหตุผลหลักๆคือไปหาน้องส่วนที่ว่ามีคนตายแก้วก็ไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วเพราะแก้วไม่ค่อยรู้จักใคร วันต่อมาแก้วเดินทางจากกรุงเทพประมาณห้าทุ่มขับรถส่วนตัวกลับบ้านตอนกลางคืนแม่ก็โทรมาหาเป็นพักๆเพื่อที่จะถามว่าแก้วอยู่ไหนแล้วถ้าใกล้ถึงก็โทรมาบอกด้วยจะได้เปิดไฟที่บ้านเอาไว้แล้วแก้วก็ขับรถมาถึงตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีห้าหมู่บ้านแก้วจะมีทางเข้าสามทาง แก้วเข้าถนนเส้นกลางเพราะสุดถนนจะเป็นบ้านของยายพอดีบ้านยายจะมีนาะน้องสมยายและหลานๆอยู่ด้วยกันส่วนครอบครัวแก้วจะมีบ้านอยู่ต่างหากที่ท้ายหมู่บ้านด้านหลังบ้านก็จะเป็นนาแต่แก้วขับมาบ้านยายก็เพราะว่าแม่มานอนที่บ้านยายพอขับรถเข้ามาถึง ไฟหน้ารถมันก็สาดส่องไปที่หน้าบ้านแก้วก็เห็นไอ้ส้มน้องสาวแก้วนั่งหยุดตรงเก้าอี้หน้าบ้านพอแก้วขับมาใกล้ๆมันก็ยืนมองมาทางแก้วเหมือนจะดูว่าใช่แก้วไหมพอรู้ว่าใช่มันก็ยิ้มดีใจวิ่งมารอแก้วลงจากรถพอแก้วลงมามันก็วิ่งมากอดใหญ่เลยแล้วบอกว่าคิดถึง คิดถึงมากแก้วก็งงๆเขินๆเพราะปกติมันไม่ค่อยทาอะไรแบบนี้แล้วแก้วก็ถามมันว่ามานั่งทำอะไรตรงนี้มันก็บอกว่ามานั่งรอแก้วแก้วก็งงว่ามานั่งทำไมแล้วรู้ได้ยังไงว่าจะมาถึงตอนนี้มันก็บอกว่ารู้มาจากป้าแหวนป้าแหวนบอก ซึ่งป้าแหวนที่น้องแก้วพูดถึงก็คือชื่อแม่ของแก้วเองพอเจอกันกับสมเราก็คุยกันตามปกติถามนู่นนี่ตามภาษาคนไม่ค่อยได้เจอกันเรานั่งคุยกันอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านสักพักแม่ของแก้วก็เดินลงมาจากบ้านพร้อมกับนาของแก้วพวกเขาสองคนพอเห็นแก้วก็ตกใจ มองแก้วกับส้มสลับกันแล้วหันไปมองหน้ากันเองแบบตกใจแล้วแม่ก็บอกว่าช่วยทาดอกไม้ให้หน่อยจะเอาไปใส่ในโลงศพแก้วจึงถามใครเป็นอะไรตายอ่ะแม่แม่ก็บอกว่าขับรถชนสิบล้อตายห้าคนตอนนั้นแก้วก็ตกใจมากตายห้าคนเลยเหรอไม่น่าเลยสงสารจัง แก้วถามต่อว่าแล้วใครตายอะแม่แม่แก้วก็หันมามองหน้านาแก้วแล้วก็บอกว่าอยากรู้ก็ไปดูเอาเองที่วัดแล้วแม่ก็เดินไปหลังบ้านนาแก้วที่เป็นแม่ของไอ้สมก็ทำหน้าเศร้าๆจะร้องไห้มองหน้าแก้วสลับกับสมแล้วก็เดินไปหลังบ้านแก้วสงสัยว่า ทำไมเขาไม่บอกว่าใครตายตายกันตั้งห้าคนต้องบิน ญ, ญาติแก้วแน่ๆเลยเพราะแม่ไม่อยากบอกแถมน้าแอบร้องไห้อีกแก้วก็เลยหันมาถามน้องว่าใครตายวะต่ส้มกลับบอกว่าไปดูเอาเถอะที่วัดแก้วยิ่งงงเข้าไปใหญ่ทำไมไม่มีใครบอกว่าใครตายญาติคนไหนตายทำไมมีแต่คนไม่บอก แล้วให้แก้วไปดูเองมันยิ่งทําให้แก้วอยากรู้มากขึ้นเพราะแก้วอยากรู้ว่าใครตายวันนั้นทั้งวันแก้วนั่งทําพวงมาลัยกับน้องสองคนบนบานพวงมาลัยห้าพวงสําหรับศพห้าศพที่ทํานานก็พอว่าทําไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วก็ทําไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ตั้งแต่เช้ายันหัวคำ่ำหลังจากทาพวงมาลัยแล้วแก้วก็อยากไปดูว่าใครตายบ้างน้องแก้วมันก็ถามว่ากลัวผีไหมละ่ะแก้วก็บอกกลัวสิกลัวมากแล้วส้มมันก็เล่าให้ฟังซึ่งตอนนั้นพวกเราอยู่บนบ้านกันสองคนส่วนคนอื่นๆเหมือนจะไปวัดกันหมดแล้วส้มมันก็บอกว่า ตอนห้าโมงเย็นวันที่แม่แก้วโทรหาแก้วที่กรุงเทพวันนั้นแหละมีคนในหมู่บ้านแก้วห้าคนจะขับรถไปในเมืองไปรถกระบะ ก, กันแล้วคนขับก็ขับไวมากจนไปชนกับรถสิบล้ออย่างจังทำให้คนที่ไปกับรถคันนั้นตายกันหมดทั้งคันหลังจากนั้นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตก็เฮียนมาก คนที่ตายไปหาทุกคนในหมู่บ้านหมดเลยทุกคนเจอกันหมดแม่แก้วกับน้าแก้วก็เจอแล้วช่วงนี้พอตกดึกก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านกันพอแก้วได้ยินดังนั้นแก้วก็กลัวมากพอแก้วกลัวผีมากอยู่แล้วเวลาผ่านไปสองทุ่มแก้วกับน้องก็คุยกันไปเรื่อย จนคุยกันถึงเรื่องเสื้อผ้าส้มมันก็บอกให้ซื้อเสื้อผ้าให้หน่อยอยากได้สวยๆแก้วก็ตอบตกลงจะหาซื้อมาให้พอคุยไปได้สักพักแม่ก็โทรเรียกแก้วลงไปกินข้าวข้างล่างเวลาผ่านไปจนถึงสามทุ่มแก้วก็คุยเล่นกับส้มเพลินจนดึกจนถึงเวลาที่แก้วต้องกลับไปนอนบ้านแล้ว บ้านแก้วที่อยู่ท้ายหมู่บ้านตอนนั้นมันดึกแล้วก็เลยกลัวและกลัวผีที่น้องเล่าให้ฟังด้วยแก้วก็เลยให้น้องเดินไปส่งเพราะน้องมันไม่กลัวผีแล้วน้องมันก็บอกว่าจะไปนอนบ้านแฟนมันด้วยซึ่งบ้านของแฟนมันอยู่เยื้องๆกับบ้านของแก้วห่างกันประมาณสามหลัง พวกเราเลยพากันเดินออกมาจากบ้านใหญ่ระยะทางประมาณ500เมตรระหว่างที่เดินมาหมาก็เห่าตลอดทางตามปกติของมันแล้วแก้วก็สังเกตเห็นว่าบังบ้านที่เขายังเปิดไฟห้องนอนอยู่เขาเปิดหน้าต่างแอบดูแก้วกับสม้มแก้วก็งงๆจะแอบดูทาไมสงสัยคิดว่าแก้ว เป็นผีเดินไปเดินมาหรือเปล่าพวกเราเดินต่อไปจนมาถึงบ้านแก้วน้องแก้วก็บอกว่ารีบๆเดินเข้าบ้านไปมันจะได้รีบวิ่งไปบ้านพี่อามแฟนของมันพอมันพูดมาอย่างนี้แก้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปพอเข้าไปในบ้านแก้วก็เจอแม่แม่ก็ถามว่าใครมาส่งแก้วจึงบอกว่าไอ้ส้มมาส่ง แล้วมันก็วิ่งกลับไปแล้วแม่แก้วก็พยักหน้าตอบรับเออเ อ, อวันต่อมาเป็นวันที่เผาซึ่งตั้งแต่มาที่นี่แกวยังไม่เคยเห็นศพเลยและยังไม่รู้เลยว่าใครตายแม่กับนาก็ไปวัดทุกวันแต่วันนี้เป็นวันที่แก้วต้องเอาพวงมาลัยไปให้ที่วัดตอนสี่โมงเย็น แก้วกับน้องก็พากันเดินไปวัดเดินคุยกันมาเรื่อยๆอยู่ดีๆน้องมันก็กระโดดมากอดแก้วจากทางด้านหลังแลวพูดว่ากูรักมึงนะกูอยากเป็นน้องมึงไปตลอดเลยวันนี้กูต้องไปกับพี่อามแล้วมึงเข้าไปในวัดก่อนนะกูจะไปเตรียมตัวแก้วก็ตอบตกลงคิดว่า มันคงกำลังจะไปอยู่อีกทีกับแฟนของมันอย่างที่แม่ของแก้วเคยบอกไว้แก้วก็เลยเดินต่อไปที่วัดพอไปถึงที่วัดก็เห็นว่าคนมางานศพเยอะมากเกือบทั้งหมู่บ้านแก้วก็ฝ่าฝูงคนถือพวงมาลัยเข้าไปหาแม่ที่ยืนอยู่ตรงลงศพพอดีแก้วมองไปก็เห็นมีลงอยู่ห้าลง แล้วแก้วก็ยื่นพวงมาลัยให้แม่แต่แม่บอกว่าให้แก้วเป็นคนเอาไปใส่ในโลงเองแต่แก้วก็ไม่อยากทำเพราะแก้วไม่ชอบแก้วกลัวและจริงๆแล้วแก้วก็ไม่ชอบมางานศพอยู่แล้วด้วยแต่แม่ก็ยังขยันขยอให้แก้วทำคนในงานก็มองแก้วเป็นสายตาเดียวกันแก้วจึงกลั้นใจทำ พอเปิดฝาลงเท่านั้นแหละหวงมาลัยก็หลุดจากมือแก้วเลยตอนนั้นแขนขาแก้วอ่อนแรงสุดตัวลงไปนั่งกับพื้นข้างๆลงศพสมองในตอนนั้นมันสับสนไปหมดมันใช่เหรอแก้วช็อกมากไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นคนนี้น้ำตาแก้วไหลพากเสื้อผ้าที่คนนั้นใส่แขนที่ปิดรู ใบหน้าและตามร่างกายแม้จะมีแต่บาดแผลแต่แก้วก็จำได้ว่านั่นเป็นน้องสาวแก้วไอ้ส้มที่เพิ่งจะแยกจากกันเมื่อกี้เพิ่งกอดแก้วเมื่อกี้คนที่นั่งรอแก้วกลับบ้านคนที่อยู่กับแก้วทั้งวันทั้งคืนตอนนี้แก้วเห็นเขาอยู่ในโลงศพร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล แต่แก้วก็ไม่ยอมรับความจริงใครจะไปเชื่อแก้วก็เลยบอกแม่ว่าไม่ใช่ส้มหรอกเมื่อกี้เพิ่งแยกกันแก้วอยู่กับส้มมาตั้งแต่มาจากกรุงเทพมันจะตายได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแก้วงงมากๆในตอนนั้นมันเบลอไปหมดแม่แก้วก็บอกว่าคนที่ตายก็คือส้มแหละมันจะไปในเมืองกับแฟนมัน เราไปชนเข้ากับรถสิบล้อแฟนมันก็ตายเหมือนกันอีกสามศพคือหลานๆของพ่อกับแม่พี่อามแฟนสมแล้วแก้วก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นนานมากทั้งวอยายทาไมไม่มีใครบอกแก้วสักคนวันนั้นเมื่อได้รู้ความจริงแก้วก็ร้องไห้ตลอดทั้งวันจนเสร็จพิธีเผาศพส่วนนาะ ก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกันแล้วแก้วก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าส้มกับพิยามจะไปในเมืองไปซื้อของกันและได้พาหลานๆไปด้วยอีกสามคนจนเกิดอุบัติเหตุตายกันทั้งคันเพราะพ่ อ, พอแม่เขารู้ก็พากันร้องไห้รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ส้มตายก็เหียนมาก เดินไปทั่วหมู่บ้านเดินไปเดินมาทั้งคืนไปหาทุกคนแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าแก้วมาริยังแก้วอยู่ไหนกูคิดถึงมึงพูดอยู่อย่างนั้นจนชาวบ้านกลัวกันไปหมดลาวส้มก็มาหาแม่ของแก้วเรียกแม่ทั้งคืนจนแม่กลัวแม่ก็เลยโทรเรียกแก้วกลับมา และที่ไม่ได้บอกแก้วเพราะถ้าบอกไปแล้วแก้วคงจะกลัวและหนีกลับส่วนส้มก็คงอยากจะอยู่พูดคุยกับแก้วจนถึงเวลาสุดท้ายของเขาและแก้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าทุกคนเห็นว่าแก้วอยู่กับส้มตลอดแก้วก็นึกเอะใจเหมือนกันว่าถึงว่าทำไมไม่มีใครเข้ามาหาแก้วเลยและส้ม จะไม่ใคร่ออกไปไหนอยู่แต่บ้านจนดึกตอนที่ส้มเดินไปส่งแก้วที่บ้านชาวบ้านเขาก็รู้เขาเห็นแก้วเดินมากับส้มจึงพากันแอบแอบมองทุกคนรู้กันหมดว่าส้มถามหาแต่แก้วมันทำให้แก้วยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมแปลกที่ว่าแก้วกลัวผีมากๆแต่ครั้งนี้ แก้วกลับไม่รู้สึกกลัวเลยมีแต่ความรู้สึกว้าเหวสงสารหดหูเสียใจมากๆเพราะหลังจากเผาเสร็จแก้วก็ไม่เคยเจอซ้มอีกเลยมันว้าเหวมากบอกไม่ถูกทรมานใจมากๆน้องรักที่เล่นด้วยกันสนิทกันมาจากไปแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากนั้น กว่าแก้วจะมีสติกกลับคืนมาก็หลายวันอยู่แก้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าให้สม้มตามที่ส้มขอและแก้วก็เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าถ้าเราเผาอะไรไปให้คนตายเขาก็จะได้รับแก้วจึงจัดการเผาเสื้อผ้าไปให้สม้มซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้รับไหมและแก้วก็ทำบุญให้ส้มอยู่บ่ยบอย อธิษฐานขอให้เราเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกขอให้เราได้เจอกันอีกสุดท้ายแก้วก็ได้คำตอบแล้วว่าที่ส้มมันต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งที่นั่นก็คืออีกโลกหนึ่งนั่นเอง สัมผัสสยอง